ยังมุ่งมองใหดีๆจะมยายถึงนั่นนรถไปเชยหมะลองพกกลมนมีเครื่องเอด้ดามีเราเทียมบอกแลไปจากพิษโลกจะไปมันเดินชางไปไ่น แล้วเลี้ยวขวาตรเียวมันบกต้องกลับไปมาเรียไปทาหวาจึงไปถึงเป้นหมายปลาทา น, นี่ป็นเช่นกันยันไปในถุกคนขับรถลงหน้าภาต่อไม่ทุกครับขึ้นถ้าไม่กลับกไปถูกใส่ถง น, นั่นช้าเสียเวลาต้าไปทางโทาจึงกลับ คือบอกว่าต้องกลับแต่ว่า <c oughs> แขมงแกร่งที่สุดคือเราเนี่ยเป็นผู้กลับถ้าบอกเราเนี่ยกลับมันก็ไม่มีประโยชนะ์อะไรมันลง มันก็แทบจะไม่มีความถูกซ้อมเขยิบสิมมันเห็นแล้วมันเห็นไงสองแบบเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นจากสติอย่างไม่ใช่เห็นจากตามันผืนไปไม่ได้ถ้าเป็นแลมันมันหมดไปแล้ว ถ้าจะได้ว่าชีวิตก็หมดเวชีวิตจะเป็นสุขชีวิตเป็นทุกข์เป็นยังนันถ้าจะไม่หลงไม่เห็นหลงหลงก็ยังอยู่ไม่แล้่ยงไมสิบถ้าทุกข์ยังเป็นทุกข์อยู่ไม่เห็นทุกข์ทุกข์็ยังมีอี ก, ก, ก, กไม่แล้วยงไม่สิบอะไรก็เหมือนกันหมดมีความผิดมีความทุกข์ ไม่ร่วมไม่เห็นมันคิดไม่กลับมาเห็นครัมันก็ยังคิดอยู่มันง่วงไม่เห็นมันง่วงเป็นผู้ง่วงไปเลยอ๋ง่วงอยู่นันอดเวลาถ้าเห็นมันเนี่ยถ้ามันชัดตรงที่มันจะเป็นให้เห็นน่ยตรงนี้ให้สีแดงสักหน่อยมันจะเป็นธรรมชาติเลย เริ่มเรื่องสำคัญเริ่มง้องนอนเริ่มสำคัญมั่นหมายอะไรต่างๆที่มันเป็นไปจนจบเรื่องจบเรามันก็ยังไม่เสร็จ มังกรดำถ้ามีสติเสียความทุกข์มองกรดำเสียความโศกความทุกข์มองกรตำแต่ถ้าไม่มีสติด้านในตรงนี้แต่ด้านจะหน่อยไม่ค่อยไม่คยตัง ไ, ไปสดีดอกแสดงว่าหลงจุกสุกหลงมันเนี้ยไม่ได้ยิน เมื่อไม่เล้งการงานของยุ่งเหยิงสับสนนากุลากตองันตางการงานยุ่งเหยิงสับสนไม่เสร็จไม่เลี้ยงสติยังมีอยู่หลงจนตายทุกจนตายโคตรจนตอ้นอ๋ น, นอนตุน่มจอดทั้งเลี้ยงทั้เป็นอยู่ขนาดมันก็ต้องจบเป็นน่ะให้แล้วมันแล้วอ่า แล้วได้ปฏิบัติมันชักีกเยผูดเร่เมผูอิ่งจึงชวนกันทาให้กันข้าม่ได้กันชวนกันดอกถ้าเราหลงใครก็เคยหลงแล้ว เ, เปล่ยนหเป็นไม่หลงใครก็เคยเปลี่ยนมาแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนทอย่างเลาวลาสุเลาทุกข์ถ้าเราไม่เปลี่ยน เ, เขาไปาเขาถ้าเจาอย่างเตื่นเขาเอาอย่างนี้ครนะดินรก็เปนหลงทุก์หลงเปลีป่ย น, นาทุกเทุกาอย่างนี้กันถ้าจำล ย, ยทุกคนบ่จำลอยนเข้าจำลอยเราเพราสอกยังมีรอยให้เราเห็นอยู่ไม่ชนบอกปิดบอกถูกแกเราโดยก่อนถ้าเราปฏิบัติ แต่ถงเกาเป็นกำขึ้นมาจริงๆเมื่อมันทำมันก็เก่้าแก่ข้าจนทอาไม่ปลอกมามยากที่จะหลงถ้ามันปลอมาหลงเป็นหลงมันอ่อนตติปินสีมันอ่อ น, มนอไม่หลงเป็นหลงมันอ่อนมันขาดแล้วมันยอดไม้ มันขาดแล้วก็ขอ ข, อขอดัดไวมีอะไรสามถาบอยู่ก็ขาดที่ปอ่อนอยู่นั่นตลอดเวลาให้ทนทนเทน้าหนดมีเย็ะแยะหาอุบายที่จะต้องให้มันชื่นมเีนชีวตต้องที่ดีมีสิ่งกำบงังมีกองเหยดชอบหวมีสทาวะ มีความเพียรมีสติมีความตั้งใจมั่นคาเป็นสิ่งล่องของปีนสีหรือพลังแนวร่วมหน้าอย่างหกอย่างก็ไม่บกบางไม่ถาหน้ายหลาอย่างที่เราจะเลือกมาช้ที่เราจะหามาช้เอากใจว่า มีความเพียนบ้างมีศรัทธาบ้างมีสมาธิบ้างมีปัญญาว่าปัญญาต้องแทรกของทุกพื้นที่มองแง่มองสองแง่สอหมูมอย่าเป็นคนรักอย่าเป็นคนกติสูตอาไว้ก่อนอย่าเป็นตัดถึงใจผลฝันตันงน้น สู้วาเป็นแบบย่าจ้างช่งกิจดูหน้าดูหลงไม่จะคิดก็ดูเสียก่อนจะพูดก็ดูเสียก่อนทำก็ดูเสียก่อนเนมันคล่องแคล่วช่างนามานามาจาเข่งและเป็นศิลปะเครืน มันก็จะทนเรื่อยไปถ้าไม่มจับทนเขาจะอ่อด้เรื่อยไปบางทีก็เป็นมันอดนะเช่นพวกเราที่อยู่ที่นี่ไม่อยู่ปลาย No. <laughs> สู้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เดินตามห้เดินหมดเที่ยวหมดแรงก็ได้ถ้าเราสู้สักหน่อยอุบายอื่นบางอย่างก็ต้องสู้นิ้ววายอื่นไปก่อนทิ้งไปก่อนอันสิ่งที่มันทิ้มทงมันกลายเป็นเรื่องดี อย่าไปเอามาเป็นภาระทำมันอื่นไปก่อนเจ็บ <c oughs> มันงอกอย่าไปสู้คมม้วน โ, โดยตรงทำมอื่นเบนออกไปมีตาตัวออกไปหูออกหรือมีใจไปคิดออกไปเล็ก น, น่อยก่อน คิดตลกตลกสักหน่อยก่อนคิดดีๆสักหน่อยก่อนหรือรแผ่เมตตาตั้งใจคิดถึงขดพ่อขดแม่คิดถึ ง, ดดถงุดวัตถุประสงค์แผ่เมตตาอะไรสักหน่อยก่อนให้มันออกไปเพราะว่าหลายๆอย่างนำมาใช้เครื่องมือในการที่โตสู้ ปัญหาต่างๆเช่น <c oughs> ยางพระพุทธเจ้ามามามาไล่หนีจากโลุนเีมหอราปู มันเป็นเพื่อนจักคนม่ใช่หที่ลงไปเศษดนนี่เศษดินน่ยลู่แกของเรานั่งอยู่นี่ไม่เคยท่านเราปูหญาคาลงตัวนี้ไม่นจจะแของเศษดินเนี่ยเป็นชิ้นปิยานแต่หลอกโี่ก็มีความแยบลายหลายๆอ่างที่จะมา เพือความเป็นธรรไม่กับชีวิตเราไม่สนุกนะปฏิบัติธารมผิดก็เป็นเสนุกไปเลยจะว่าไงทุกขนเร่อสนุกไปเลยเจ็บก็เป็นสนุกไปเลยถึงจะตายก็เเร่อสนุกไปเลยทิ้งมันเลยการเอาทิ้งมันดีนะ แขงความเก็บทินไาไวอนหมันแข้มัได้เราทิ้งไปก่อนหาใจไม่ได้ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งทิงทิ้งไม่ได้รู้สิ่งพอหายใจนานเท่ไม่รู้เราหาใจแค่น้อยขนาดหาใจนิดหน่อยก็ไม่ได ตลาของทววยากตควไม้เอาที่ม่นจะมันจะเช้ได้ตัวยากก็เช้ได้ตัวไม้ก็ใช้ไจ้สะดวกในความไม่เกรงยากก็สะดวกในความไม่ง่ากจะดวกในความไม่ยากเรื่องผิดกะสะดวกในความไม่ผิดรืองถูกกสะดวกในความไม่ถูกเองหลงก็สะดวกในความไม่หลง ต้นหนังกระสุกใ น, านรรทางทำให้เกิดปัญญานะปฏิบัติทรมมัน ม, ญญรรมีปัญญาหน้าถมปัญญาหน้ามิดคบบรดิตคบคอนธาอยู่ในตัวเราเนี่ยเลือดคบได้การเมญาเนยินดเท่ไร แม้ผูเดียวคงมหลงม่เป็นธรรมวามไม่หลงเป็นธรรมแย้มตายให้ถุดที่ลงไปมัน่นใกลงไปอย่าทำทิพย์ทิวน์เกิดมไม่ใช่สมที่สมมาตรรูปกลกงๆมันชัดไม่เกนินสองคนมันชัดเกนเินเนอหลงไปไหมไม่หลงนยังไง กองทุบกนอยังไงก้องไม่ทุปกนอย่างไรแค่เคาราชักเก็บให้สมผัตสมผัติในสมผัตนะิน่ะแบัตรทองนะสมบัตไม่ใช่เกี่ยวกัอบรูปบรตรทนามบั ร, รทองามมาทแล้วฝึกอย่างนี้มันฝึกนามบัรทองจะอาศัยรูปเป็ น, นมิติเห็นเป้าหมายเป็ิตัง้งเกณฑมุ่งไปสู่นามบาัตร ที่เราสร้างสติเนี่ยก็ทีแรกก็ดูกายไปตอบตอไปมันไม่ได้สนใหญ่เรื่องกายมันค่อยจะดูทีันอารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นมามันจะค่อยลูไปน่นไงแต่มันคิดเไปดูมันดูกายรเร่อไปมาเห็นความคิดเห็นอะไรต่างๆที่เกิดจากของคิเป็นนา ม, มาทําเห็นแทกผวหยิ่กายที่เ เูดถึงป e. ja, ุจจคุนที่ถือคือมันคิดนเป็นกรรมตัวนน่หมายเลมันจะเห็นชัดกว่าการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นของเปลือกเปกถ้าเปกรรมก็เป็นจังเลยถ้าเป็นจังเลยจะไปที่2ที่สามนนเลยหมายด้แทงคือรรมเป็นความคิด มันเคยจากความหลงเป็นเป็นความคิดเอ ค, คิดแล้วจึงมาเป็นคําพูดเมื่อคิดแล้วจึงมาเป็นการกระทาในความคิดที่มันหลงคิดขึ้นมา ขุ่นเชื่อว่เป็นการแสดงออกเป็นปรับเป็นตัวกดกฎหมายมาทำปรับตั้งแต่ลูกแต่วาจางใจกลางแต่วาจางอันจิตใจไม่ได้ปรับแตตัวการอยู่ที่นู่นเราปฏิบัติทำเนี่ยจบต้นต่อตรงนี้ได้มานะเห็นตัวที่มันคิดเห็นที่มันหลง ก็ต้องมาบอกันดียะมาจะคิดไดไงารว่ามันคิดึ้นมันก็รู้แล้วมันจะขยันตรงนี้ะไม่ง่ายตรงนี้และอันนีว่าปวดขนาะปวดแขนเหนื่อยนไม่ลาตู้หมอตอนจะไปก็มนนีนะเมื่อมาดูภาวะที่เข้าไปวนจูด้านใยเห็นนำมาทำนะคเับมันจะ มันจะเป็นเครื่องที่ประเมินผลมมกแล้วได้ทำแล้วมันขึ้นลมั น, นก็แนลทำอย่างนี้มันแรลไปอีกหลายอย่างเพียงแตเห็นมันคิดกายก็ไม่ได้ทำมาจากวไม่ได้ขุ ด, ไ ม, ไ, ดไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกรรม สังการสงมัจจ์เรามันเห็นตัวนั้นตัดท้นตัดนะ้ตัดไขยเสียท้นลงพูดไมู่ตัดไวน์ั้งแต่ทนลงเือ <laughs> นันก็ไม่ไม่รู้หปล่าเลยง่ายๆนะกทำแบบนี้ไม่เกี่ยวกับ ถ้ยกมือสร้างสวัสดิ์้จะเดินจะคองกองของคนอื่นไปเจอแล้วนีที่ไหนเดินอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็นตามอันตู้นีเป็นจิตที่ทยาชืชอยตัวที่มักนกรรมมันขึ้นนามมาทำหนอในเป็นการสะดวกไม่ต้องหาสถานที่นะจะนอนอยู่สดัดนั่งอยู่กระด้จะทำเลยกระดา้ ไม่มีอริยบทที่เป็นนามธรรมนะถ้าเราจับตังนี้เรื่อี้แหละคชีวิตจะ่ด้าชีวิตสำคัชีวิตกรรมมือเดียวเรากรรมมือเดียวจริง มทในตําเมืองที่เช้าคือมันไม่เื่อเห็นก็เสื่อเมื่อตามีมีอตายนรูปเห็นลก็จมูนีเสียงก็ได้ยินเสียงเห็นเสียงแล้วกระจุกได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากสิโงห่นีด้วยเป็นฐานเป็นฐานาก็เป็นจิิยาหมูก็เป็นจิติยา กายก็เป็นจิตญาไม่มีกรรมโดยก่อนกายสามสมมจีรรมทีมนุกามกาสามเรียกว่ากุศลเกิดเ้าละอุสนกมวดิจิตต้องรักษาต้องใส่ใจ อยู่หมดเลย ไ, ไปเลยสรุปปฏิบัติธรรมมันสะดวกไปหน้าเมื่อจะเปลี่ยนกลับมาที่แรกก็ต้องทำไปก่อนมีกรรมมีที่ตัง้งในการจะทำถ้าเุ็นเดินหนังนี่ต้องเฉียดแน่นอน เวลาทาง า, งานม่นเ่เช่งแตพูดทา ง, งานไม่เช่เลยอย่างนี้ไม่องู่เาทงานเกิดอะไรช่นอากาศที่ทำมานหรือว่ากับเรเดินคขาการเดินจากนี่ไปนู่นพูดจากนีอดู่แ็นที่อ่านจากมันจะเดินไปถึงที่ขอมองจากนี่ไปนี่เป็นคาพูด แต่เวลาเจมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเวลาเกิดนะหนิงเมื่นอแม่ร้อนฝนตกน้ำแตกเอาก็ร้อนหนิวปนหนิวปวด้งปวดหาวปวดแขนเลื่ น, นวันแรกนอรนะับอาจจะลุกไม่ขึ้นวันที่สอง ที่ต่อไป้นมันตบตัว เราสั่นหนองนเวลามาถูกแป็นไงเรือถูกฝเป็นงมือก็ไม่อยู่ที่นี่ต้องก็บว้ามปักวางต้มือไม้ือนี่ฉันก็ต้อเก็บงมือนิ้วมือเล็บมือต้องออกมนบดิ้นแขนแขไปถูถูน่องถูกอะไรต่าง ข้องมือข้องขาน้ำกัดเท้าเป็ น, นปืนป่ยวยเกลีปวดสารภาษจนันั่นเป็นเรื่องที่จะนำมาอ้างไม่ได้ถ้าโอซินั่นมาอ้างทำไมได้ทำไม่สำเร็จวาติวัดทำต้องเหมือนกันเอาโคมมุ่งมาอ้าเราก็คิดอาอ้า อาจารย์นั่นเป็นอย่างนี้อาจารย์นั่นี่เป็นอย่างนั้นชอบอย่างนั้นแบบนี้ไม่ถูกพิจัยของเรายางนั้นถูกก็ไม่ใชของเรา คิดเอาความอาเอ้างเพื่อให้หยุดการเจริญสติถัดไปก่อนสตคิดอะไรจะทําอะไรเกิดขึ้นรู้ไว้ก่อนแม้ยงจะกรก็ก็โอสติตมรรยงได้มันปวดขาติดข้างซ้ายข้างขวามีสติให้ปวดไปให้มีสติการเปลี่ยนในบทไปกับสติ ไม่เอายากไม่เอาง้ายไม่รำบากไม่สะดวกเตียยเพีย้ยคนนั่งไหวทนคนนั่นัน่งทนเทาไม่ดีขาไม่ดีเอวไม่ดีประสาทไม่ดีสรารพันหยาดจะอ้าเพื่อเข้าข้างตัวไม่ทุอมันเลยตตายชื่อมเขื่อมกันห เข้มแข็งมางสถีติเนี่ยมใช่อ่อนด้ผ่อนเดือสตีเนี่ยถ้าสิ่งมดลองมาดีก็ม่องงามเลยอะเปงสนุกสนุกไปลองเดินไปสิยี่สิบวันไปสิจะเป็นยงไงเราจะเดินมันแน่ ขาแตกท่วงขาแตเพื่อนไม่เป็นไร ก, ขกไ็ขอขอบ ก, กันนะอขอขอพอตามทักเสีใหม่ก่อนเพื่อนไม่ไหวแล้วแสบขุ้นขาหมดแล้วขาแตกเพื่อนอก็หัวเราะตามทักห า, า, กากที่ซัดหาป่ากดออกข้างแล้วกะดูกดีกม่ได้แส มันแตก ม, มันมน้ำเหลือง ม, มันแห้ง ม, ม, ม, ม, ม, มันติดเวลาจะลุกแต่โอ้ยจะจะไปไหนไม่อนาะไปไหนไมอเนาะเครดตัวเส้นวเส เอาไปวางัด้านของมันได้ไหมด้านของมันเลยแล้วนั้นนนี่ถ้าเราใช้มันโดยก็มีกาลังใจไปสู้กันน่มันไม่มันไม่เก่งขนานั้นขี้เหล็กับหน้าทนายก็เกิดมันสารภาพไปนะเส้นสาก็หน่อยจักรยาที่เิไม่จีรศีจิตตกธรรมะ มันไม่มันไม่ภาษาอะไรนั่นน่าจะชนะได้ด่านแรกก็นั่นตั้งแต่กายานุปัสสนามีสี่เหตนกายก็้อบกโลกกายสภาวะก็ไม่ใช่สัตวุคพนตัวตนโลกของยากเบีงไม่ใช่อยากเป็นสักกจการะทิฏฐิเป็นตัวเป็นตนเอาความยากมาเป็นความยาก เอาความง่ายเป็นความง่ายเอาความผิดคองถูกเป็นความผิดคองถูกดองดูเองแอบพายนะเบืองต้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคิดทางเบื้องต้นให้มันชัดเจนจะ ห, หน่อยหน่อมันจะมันยั่มันจะสะดวก เลยถึงามยกขกมยักมันไม่ออกไม่ไหเป็นตัวเป็นตนเป็นอย่างนั้นอย่าี้เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้รู้ชอบโมยอหมาหมดเลงเจดินได้่มาจะไม่เป็นเป็นมันน่ะอย่างรที่บุคคลเบต้นน่ะมัน มันตรงกัตรงนี้จิงๆนะกายนุปจนาสติัฏฐานะเวยฉานุปจนาสติวัฏฐานจิาานา ต, านตานุปจนาสติวัานหมดตัวเลยจบไม่จับได้ไล่ทันแต่จะสิ่งที่มันเป็นตัวเป็นตนน่ะมัดจูเลยาใสใจไมีความเห็นทำใน เดินไวจนเนี่ยมันจะไม่ผิดไม่จะไม่ยา ก, ไ ม, กไม่วนะุกไม่วนมันจะแดงกีดขั้นสิบหุ่นร่องกายมันจะแดงอะไรที่มันเคยเป็นตัวเป็นตนทิพย์มานะมันจะไปไรอดถ้าเราได้หลักสามอย่างรายงานมันก็ชนะไรข้างนั้นก็าา น, นาปิตาลั็ชนาน นี่ข อ, อย่าข อ, อย่าเป็นเพื่อนตัวนี่ใครก็เหมือนจะนนั่นแหละไม่ตามากนันหรจะเป็นนักปวดจะเป็นพราะว่าจะจอมจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนหนุ่มคนแ ก, ก, ก, ก่เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดถ้าจะเอาความฝิดก็เหมือนจันหมดถ้าจะทำถูกก็เหมือนกันหมดไม่ใช่คนละแบบ ความเห็นผิก็เหมือนกันควมเหนถูกก็เหมือนกันหมดตรงที่หลงไม่หลงก็เหมือนกันหมดตรงที่หลงเป็นทู่เป็นคนหลงก็เหมือนกันหมดไม่ต่างกันแต่เราจะจัดการกับตัวเราองไรเป็นเรื่องของเราต่างหากที่เราต้อง ถามที่ชอบที่สุดมันเฉดเป็นขอบเป็นกล้องไ ป, ปจริงๆนมันแบบไม่มีอะไรจริงๆควงมยาก ค, ความยากความเก็บความจของามจบคอามจบสมหวงไม่สมหวงอกหนักอกค่าเฉดชายจัลการมดเลยมีแต่าวะที่ไม่เป็นอะไรัคบคนเา ชีวิตใครสะดวกเป็นชีวิตที่สุดยอดงานมันเจ็ดงานมันเจ็บก็จะเกิดเช่นไรมีสตินั่งนั่งนอนนอนเล่นก็ได้มีสี่ไม่นั่งไม่นอนจะทรมานยังไงก็ได้แช้สติอันชอบธรรมเกี่ยวกับความรับใจ นี่ไม่ให้มีปัญหามีการลาจะมีโรครอยู่ไีโรคเขตามเลยถ้าได้ทำจบเรื่องนี้เป็นแล้วก็วไม่ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องแตกหรือที่ไหนก็ไม่มีเรื่องอะไรนี่คือปฏิบัติธรรมใ่้เราเริ่มหาใจถนอม เวลานี้โอกาสนี้การนี้แหละหมกที่สุดชีวเราก็ยังไม่มีอะไรที่หวงกันให้เราไม่มีความรู้สึกตายกมือเครื่องก็รู้แม่ที่เอาควรู้จักกายก็รู้มันเกิดอะไรขึ้นก้ามโอกาสที่นเป็นเวาเป็นสุขเป็นุกก็รู้ สติเรื่องังค์สติเะื่องจิตใจอาการต่างๆน่งนหมดน ะ, ะถะกทุก่ทุดแล้วมนุษย์สมบัติสังวรสมมัตินิพพานสมบัติอยู่ในกำลนตร์เนี่ย้อย่าไปทอดถอย